س ُ و ِّْ آيةً أخرى لِنُرِيَك مِن آياتِ الكُبرى إ ِ ذ َ هَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ ط ََ ر اللَّهُ رَبِّ ش ُ ر َ ح ْ ل ِ ص َ د ْ ر ي و َ ي َ س ِ ي ر وَيَسِّرْ لِأَمْرِي وَحْلُ ا ل ْ ع ُ ق ُ د َ ة ً مِلْسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي, يفقه قولي و ا ج ع َ ل ي و ز ي ر ا م ن أ ه ل ِ ه َ ا ل َ أ خ ي ه َ ا ر ُ أ َ خ ي ْ أ ش ْ د د ب ه أ َ ر ي و أ ش ر ك ผู้ฟี่อัมรีข้าย و ุศบิฮ h a r r i m จินน์อัลฮะมดุลลอฮ์นมลฮ์วันนั้นศูระกะศีร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 و َ إ ل َ ي ك َ ا ل ن ُُّ و ر ُ ع َ و ْ ب ِ ك َ لِمَا ت ِ ل ل َ ه ِ تَمَاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَدُرُّ مَا عَسْمِهِ ش َ ي ٌْ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي ا ل س َّ م َ ا ء ِ وَهُوَ سَمِيعٌ ع َ ل ِ ي م رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّ وَبِالْإِسْلَامِ دِينَ و َ ب ِ م ُ ح َ م َّ د ا ل ر َ س ُ و ل ا ا ل l a h u m m a inni a'udzubika min a l k a, a ah uh. <c oughs> <g> uss> s i ر ับ أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ร่วมน้ำมาศึกษาหรือนมาศุบะที่รับทั้งหลายครับอัลฮ์มูเลลลขอบคุณ ب ح ا ن ه وتعالى ที่ อัลลอฮ์ให้เรามีชีวิตอยู่มาถึงวันนี้อัลลอฮ์ให้เราได้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตอยู่ในเดือนอันประเสริฐคือเดือนรอมาบอนอัลลอฮ์ให้เราได้มีโอกาสได้ถือศีนอดได้มีโอกาสได้ทําความดีเพิ่มขึ้นในเดือนรอมาบอนเรานมาดเพิ่มขึ้นธรรมดานี่นมารอิชาแล้วก็ดูละคร ตอนนี้ดูนมาอิชาเสร็จก็นมาตอรวิทำความดีเพิ่มขึ้นนมาตอรวินมาทวิเตอรรวมกันกับอิหมามที่มัสยิดโดยไม่หนีไปเข้าห้องน้ำเราก็หายเลยหรือเอาวิเตอไปนมาที่บ้านเราปฏิบัติตามอิหมาม นแต่นามาตยิชาเสร็จเสียเรกาก็อัดนมาตสุนัตสองระกัดแล้วก็นามาตตาราวีกับอิห ม, ม, ม่ามแปดระกัดนมาตวิตเต็ดอีกสานระอัดผลบุญเท่ากับยืนนามาตลอดทั้งคืนการทำดุลิแลนี่เป็นรางวัลที่อัลลอฮฺจัดให้ไม่ได้ขอนี่เราไม่ได้ขอเลยนะอัลลอฮฺจัดให้นะครับฉะนั้นใครที่ มีโอกาสได้นมาต์ตารวีนมาตวิเตทที่มัสยิด ร, รวมกันกับอิหมามผลบุญเท่ากับเขานามาตลอดทั้งคืนการนามาตารวีเนี่ยมันมีอยู่อย่างนี้หนึ่งนมาที่บ้านคนเดียวก็ได้ก็ใช้ได้ไหมใช้ได้เสร็จแล้วนามาที่มัสยิด ร, รวมกันกับอิหมามนะครับมีผลบุญนมาตลอดทั้งคืนนะครับ แต่ทดูดิละขอบคุณอัลลอฮสุบฮานาหูวาตาเถอาช่วงนี้อยู่ในช่วงของคืนสุดท้ายสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนท่านนาบีมุ h a m m a อสุลสลมสอนให้เราแสวงหาอย่านอนเยอะให้อ่านกูนอ่านเยอะๆให้นา ม, มาตยเยอะๆก็คือช่วงสิบคืนสุดท้ายของรอมฎอนให้แสวงหาคืนที่เป็นเลขที่ ยีค่ำยี่ค่ำยี่ค่ำยี่ค่ำยี่ค่ำยี่ก็มีอยู่5้หกคืน5คืนด้วยกันเนี่ยช่วงสุดท้ายของเดืนอนละมาตอนแสวงหาอะไรครับไลยายอตุลกอดรี่ลายอตุลกอดรีเนี่ยมีประโยชน์อะไรคอยรุมมินอัลฟิชหะรีดีกว่า 1,000 เดือน หนึ่งพันเดือนหนึ่งประมาณ8ปาปีนด น, นใครที่ได้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตในเดือนไลโยตุลกอเดรีโดยการอ่านคุร า, านริครุลละหรือกล า, าวคำเดียวสุบหฮานอัลลอฮ์นี่ผลบุญเยอะมากชัา น, นสั ญ, ญลักษณ์ของคืนไลโยตุลกอดรีเนี่ยตอนเช้าของวันนั้น่ะเป็นวันที่เย็นสบาย แล้วก็แทงแสงตะวันเนี่ยไม่ไม่แรงกล้าและสังเกตเนี่ยอลุลามะแนะนำนะหมาคืนนั้นนะไม่เหา่าถ้าหมาไม่เห่าก็โอกาสสูงแต่เมื่อคืนเห่าไหมผมไม่ได้ยินเลยนะอาจจะเป็นเมื่อคืนนั่นก็ได้ขออวยมาตอลอดให้เราได้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตในคืนละโยตุลก้อนดีโดยการขอดูอาอ่านกูอ่านซิกรุลลอตนะครับ ขอบคุณ Allah ุ ب ح า ن อหูว่าตาลาที่เราทบทวนอัลกุรอานมันเนี่ยวันนี้เดือนมิถุนนเนี่ยถึงสุรอกอฮาแล้วสุรที่ยี่สิบหัวหน้าตับซีกันเนี่ยอายุเฉลิลมเราหมดเนี่ยภรรยาเพิ่งเสียชีวิตไปไ ม, ไม่ไม่กี่วันที่ผ่านมาก็ขอถวายต่อรอให้มีภรรยาเพิ่มเพาาิ่มแบบไม่เพิ่มใช่ไหมไม่เท่าเก่านะ ถ้าทำอยู่ลินแลอยู่คนเดียวก็เหงาสวัสดีนบะีบางคนบอกว่าถ้าหากฉันรู้ว่าฉันเนี่ยมีชีวิตอยู่แค่เจ็ดวันมีชีวิตอยู่แค่กี่วันนะเจ็ดวันฉันก็จะขอแต่งงานง้นการแต่งงานเนี่ยดีมากเลยนะครับขอบคุณอัลลอฮสุบฮานหูวตาละนะครับที่เราทบทวนคุรานขณะนี้มาถึง ประวัติของท่านนาบีมูซาอะเลฮิสซลาหนาบีมูซามีของดีหลายๆอย่างที่เราหน้าอาจจะมาเป็นแบบอย่างสำหรับชีวิตของเรานาบีมูซาเนี่ยวลาเดินกับผู้หญิงสองคนนบีมูซาจะเดินข้างหลังผู้หญิงหรือว่านําหน้าผู้หญิงทําไมเดินนําหน้าคนเจ้าชู้เนี่ยเขาจะเดินข้างหลังอ่ะ แต่คนไม่เจ้าชู้คนมีศาสนาเขาจะเดินนำหน้าผู้หญิงไม่ต้องมองผู้หญิงแล้วก็จะไปทางซ้ายกับผู้หญิงจะเอาซ้ายนะพี่นะขวานะพี่นะตรงนะผู้หญิงจะบอกทางท่านผู้ชายเจ้าชู้เนี่ยผู้ชายไมีเอาศาสนาเนี่ยมักจะเดินข้างหลังแล้วก็มองเชิผู้หญิงอ้วนบ้างสูงบ้างผอมบ้างสเลนเดอร์ไหมก็จะมองสังเกตดูแต่ผู้ชายที่ดีมีศาสนานี่เขาจะไม่ยุ่งกับผู้หญิงเยอะนะครับ วันนี้มาถึงอายาที่17นะครับควา ง, ง17นเะเรียนมาแล้วแต่อา่านใหม่อีกทีหนึ่งว่มาติลกบิยามีนิกายมูซาอายานี้แปลว่าว่ามาติลกบิยามีนิกย า, ม า, ย, า, า, า, มากยมูซามาแปลว่าและอะไรเล่าที่อยู่ ในมือขวาของท่านโอ้มูซาเอ๋ยใครถามใครรือมหเนี่ยอัลลอ์ถามนาบีมูซาอะลัยฮิสสลามหลังจากอัลลอ์ได้แต่งตั้งให้นบีมูซาได้รับตำแหน่งเป็นนบีเพราะแต่งตั้งแต่งตั้งนบีมูซาให้เป็นนบีตอนเวลากลางคืน เพราะนั้นนบีทุกคนนี่นะครับได้รับการแต่งตั้งได้รับการคัดเลือกจากอ mm ัลลอฮ์ไม่เหมือนกับเลือกสสนะไม่เหมือนกับเลือกรัฐมนตรีไม่เหมือนกับเลือกอระธานาธิบดีนะใช้โหวตแต่ของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์คัดสรรมาจากชั้นฟ้าเลย mm hmm. เลือกใครถูกไหมเลือกคนที่มีหัวใจสะอาดที่สุดอ mm ั hmm. ลลอฮ์จะเลือกนบีแต่ละคนแต่ละคนนี่นะ เรามองดูคนที่ประเสริฐที่สุดในวันนั้นยุคนั้นมีใครบ้างก็จะเลือกคนนั้นเป็นนบีทั้งๆ ท, ที่มูซาเนี่ยประวัติก็เคยฆ่าเคยต่อยใครนะพี่น้องกลุ่มของฟาโร่เสียชีวิตใช่ไหมความจริงแล้วคนที่ฆ่าคนนี่มันคนไม่ดีนะแต่ตนานาเลือกเลือกมูซาให้เป็นนบีแสดงว่าใจของนบีมูซาเนี่ยสะอาดมากนะครับ ที่ฆ่ากันวันนั้นไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าหรอกนะครับเป็นการปกป้องเท่านั้นเองหลังจากได้รับตําแหน่งใหม่ๆอัลลอฮ์ Allah ได้ให้มูซาสแสดงมุอะิสาให้นึกถึงมุอะจิสาและถามบอกว่าวามาติลกาบิยามีเนกายามูซาอะไรเล่าที่อยู่ในมือขวาของท่านโอ้มูซาเอ๋ยพอถามนาบีมูซานาบีมูซาตอบ "قال هي عصايا أتوكع عليها وأهش بها على غنم ولي فيها ما أرب أ خ ر นบีม ah ูซาตอบอัลลอฮ์เล่าเรื่องของนบีมูซาต่อไปในกีรการให้เราได้ใช้ปัญญานะครับนบีมูซาตอบว่า "هي عصايا มันคือไม้เท้าของฉันอาซอตแปลว่าไม้เท้าของฉันนะครับอซอแปลว่าไม้เท้าเขียนด้วยอลิีฟนะถ้าเขียนด้วยตัวยาแล้อิงซอตยาเนี่ยแปลว่าคนดื้ออัน <c oughs> อ, อาซอมีนล่ลาอซอคนที่ดื้อเนี่ยต้องเล่นงานด้วยไม้ถือ <c oughs> เขียน อ่านเหมือนกัน อ, อัลซอแต่ว่าวันเวลาเขียนเขียนไม่เหมือนกัน อ, อัซอตัวยากับ อ, อัซอตัวอลิฟอัลล อ, อัลซอลีมานาอซอคนดื้อเนี่ยต้องจัดการด้วยไม้ถือถึงมันจ ะ, ถ, นจะถึงมันจะเบาลงนะครับกอเลฮิยา อ, อัลซออ่ะบิบุซาต่อว่า น, นี่ไม้ถือของฉันอาตาวักกาอูอัลฮาฉันเอาไม้ถือนี่ทำอะไรอาตาวักกาอูแปลว่าฉันชายยัน ฉันชายันมันฉันชายันก็ไม้ถือไปทำอะไรใช้ยันใช่ไหมล่ะอ่าใช้ยันอัตตะวักาอุอัยฮฉันใชยไม้ถือนี่ยันแล้วต่อมาอีกว่าอหุสุบิฮะอาลากรนามีและฉันใชยไม้อันนี้น่ะตีพุ่มไม้ตีพุ่มไม้สำหรับเป็นอาหารของแก่ของฉัน กอน้ำแปลว่าแกะตัวว่าไม้เท้าของนบีมูซานี่มีประโยชน์มีประโยชน์มากเลยนะครับหนึ่งไม้เท้าของฉันเนี่ยฉันทาหน้าที่อะไรนะยันเวลาฉันเดินฉันยันอันที่สองฉันเอาไม้ท้าของฉันเนี่ยตีพุ่มไม้เพื่ออะไรนะสําหรับเป็นอาหารสําหรับเอาไว้เลี้ยงแกะของฉันเนี่ย a a h taala laul ในการพิริพุนันนะครับวาลียาฟีฮะมาอาริบุฮุคอรและใช้มันประโยชน์อื่นๆ อ, อีกประโยชน์อื่นๆอีกนันมาอธิบายยังไงประโยชน์อื่นๆ อ, อีกใช่อย่างนี้ไว้แบกของหนักเอาไม้เนี่ยวางบนไหลใช่แล้วก็เอาของหนั ก, นกเนี่ยใส่คณิว่าใส่นะใส่คานแบก เนี่ยประโยชน์คุณอ่านไม่ได้เล่าแต่ว่าเรื่องจริงเราเคยทำเห็นไหมล่ะคนที่มีไม้ถือก็ทำาอะไร 1. หนึ่งใช้ ย, ยันเวลาเดินสองลตีผู้มไม้เอาเป็นอาหารสำหรับแกะสเวลาแบกของหนักๆของมันเยอะไม้ช่วยได้อันที่สี่นะครับเป็นน้องป้องกันสัตว์ ร, ร้ายต่างๆอย่างสัตว์อย่างงูมานี่ใช่ไหม สัตว์ร้จะมาทำอันตรายไม้เนี่ยช่วยได้อันที่ห้าเนี่ยเวลาคนมาทำอันตรายตอนนบีมูซานาบีมูซาก็ใช้ไม้เนี่ยเล่นงานได้ตกลงว่ามีประโยชน์อยู่กี่รายการนะ5้ารายการนี่เป็นของของดุญยาที่อลัลลอฮฺตาลาให้มาทีนี้ไม้ที่ท่านนาบีมูซาถือนี่อลัลลอฮฺต้องการจะให้ไม้นี่เป็นมุอาิา ให้ไม้ที่เป็นม้อิจาดัมว้วนจิดาดที่แปลว่าอะไรนะอภินิหารใช่ไหมซึ่งมนุษย์ไม่สามารถที่จะคิดเองได้ทำเองก็ไม่ได้แต่ Allah ละมอบให้เรียกว่ามว้วนจีดัคือเวลาโยนไม้เนี่ยลงไปบนพื้นไม้อันนี้จะกลายเป็นงูนี่เป็นม้อนจีาัดอันยิ่งใหญ่ที่ Allah ได้มอบให้กับนบีมูซาอัลอฮิสลม ก่อนที่นบีมูซาจะไปพบกับฟาโร์สแสดงก่อนให้มูซาเห็นก่อนจะได้ไม่กลัวเดี๋ยวไปให้ตอนนู้นตอนอยู่หน้าฟาโร์อาจจะผวาก็ได้นี่ให้ก่อนให้รู้ก่อนว่าฉันมอบมุอญจีศาตบางสิ่งบางอย่างให้นบีมูซานําเอาไปทำงานศาสนาของอัลลอ์สุบฮานหัวตาลาอย่าลืมว่างานศาสนานี่งานใหญ่นะไม่ใช่งานเล็กนะ พี่น้องอย่าไปนึกว่างานด้ว่างานเล็กๆไม่ใช่งานใหญ่มากเลยนะครับอัลลอฮ์แต่งตั้งน บ, บีมูซามาเนี่ยให้ทํางานศาสนาถามว่าไปสอนใครไปสอนคนที่เลวที่สุดในโลกถามว่าคนที่เลวกว่าฟาโรในโลกนี้มีอีกไหมอ่ะไม่มีแลว้วนี่แหละเลวที่สุดถึงอัลลอฮ์ได้เล่าโดยดังการ์ีอัลกุรอานเพระเาะฉะนั้น พี่น้องอย่านึกว่า ง, งานศาสนาเป็นงานเบาๆฉะนั้นนักเรียนที่เรียนภาษา ร, ระดับเรียนศาสนาเนี่ยต้องขอดูอาเยอะๆเพราะว่าข้างหน้าจะต้องรับผิดชอบงา น, นดูแลค น, นให้คนได้รู้จักอิสลามนี่ไม่มมใช่งานเบาต้องเรียนหลายๆอย่างต้องรู้หลายๆภาษาต้องรู้อะไรเยอะๆและอธิบายอิสลามเนี่ยดีมากเลยแต่ถ้ารู้น้อยกับอธิบายน้อยถ้ารู้เยอะดีไหม อัลฮัมดุลิลลาห์รูดุนยาเยอะๆในอธิบายอิสลามมีง่ายมากเลยดัง น, นั้นอย่านึกว่างานศาสนานเป็นงานเล็กนะงานใหญ่มากเลยแล้วเป็นงานที่มีเกียรติและเป็นงานที่ไม่มีเงินเดือนใหญ่ไหม <laughs> เป็นประธานาธิบดีมีเงินเดือนเป็นนายกรัฐมนตรีมีเงินเดือนเป็นโตุ้ยยอยมีเงินเดือนแต่ใครที่ทํางานศาสนาหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ไม่มีเงินเดือนเห็นอย่างอัลลอฮ์ไม่ให้เงินเดือนอนะ่ะ แต่ว่าอัลลอฮ์กใ็ให้ให้ให้ทางอื่นนะครับให้กับคนคนนั้นนะครับอย่างนาบีมุฮัมมัดนี่อัลลอฮ์ไม่ได้ให้เงินเดือนนะแต่อัลลอฮ์ให้แต่งงานกับหญิงที่รวยที่สุดคือท่านหญิงคอดียะรอติยลลอลของอันหาแต่งงานกับท่านนาบีมุฮัมมัดวันที่นบีมาได้รับวาฮีนท่านแต่งงานแล้วนะแล้วก็เป็นเศรษฐินี่อัลลอฮ์มหาเศรษฐีใช่ไหมนี่ไงจาราเมตานะครับ ตกลงว่าไม้ไม้ถือที่นบีมูซาถืออยู่ในมือนั้นมีประโยชน์กี่รายการนะ5รายการรายการที่หนึ่งอะไรบ้างยันเมื่อเวลาเดินสองเอาไว้ตีพุ่มไม้เป็นอาหารสำหรับแกะนบีมูซาเลี้ยงแกะนบีทุกนบีที่มาในโลกนี้มีอาชีพเลี้ยงแพะกับเลี้ยงแกะหมด เพราะคนที่เลี้ยงแพะเลี้ยงแกนี่นะคนนี้มันจะธรรมดานะเอาสุนัขนะไปใช้เลี้ยงอูดกับเลี้ยงแพะนี่ต่างกันนะคนอยู่กับอูดเยอะเนี่ยเขาจะบดื้ะดึไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่หรอกแต่เลี้ยงแพะเลี้ยงแกนี่ฉลาดเพราะแพะนี่มันซนโอ้โหตามแพะ แวบนั่นแวบมาเนี้ยแวบมาเนี้ยนั่นคนเจ้าของแพะจะต้องฉลาดจะต้องเก่งนี่ไงทำไม่คิดอะไรเยอะแล้วแพะอันนี้ก็น่าน่ารันานาากนะทั้งเชื่องด้วยสารพัดด้วยทั้งดื้อด้วยทั้งซนด้วยอยู่ในตัวมาเสร็จเลยฉะนั้นคนที่ผ่านการเลี้ยงแกะมาเนี่ยคนนั้นเป็นคนที่ใช้ได้นะครับไว้ใจได้นะครับความซื่อสัตย์นี่ก็สูงมากนะครับต่อมาครับ قال ألقها يا موسى กลาวอัลลัคฮายามูสาพระองค์ตัดว่าอัลลอ์นี่อัลลอ์ตัดกับนบีมูซาเลยนะไม่ใช่ธรรมดานะอัลลอ์ตัดกับนบีมูซาว่าไงนะอัลกีฮาจงโยนไม้ที่ถือของท่านเนี่ยลงไป โยนเลยโยนเลยฝาอัลกิฮายามมซาจงโยนไม้ไม้ถือที่อยู่ในมือของมูซาเ อ, อ๋ยโยนไปเลยนะครับแล้วเป็นยังไงครับฝ่าอีลาฮิยายตุนตัสนาดังนั้นเมื่อนบีมูซาโยนไม้ถือมันกลายเป็นงูฮยาแปลว่างูงูที่เลื้อย ไม่ใช่งูธรรมดานะงูด้วยเลื้อยด้วยพยนปับ๊บไปพุทพอถูกพื้นดินปั๊บเนี่ยกลายเป็นงูเลือ้อยได้เลยในคัมภีร์รุรอ่านในอายะอื่นอธิบายอย่างนี้นะครับมันมีสับอยู่สามคำหนึ่งเขาเรียกว่าไฮยตุนแปลว่างูนะอีกคำหนึ่งเขาเรียกว่าจานุนจานจานจานิมอลิฟนูนจานนนก็แปลว่างูแต่งูตัวเล็ก และอีกคำหนึ่งสวาบานสวาบานงูอะไรงูเหา่างูใหญ่ๆเนี่ยเขาเรียกว่าสวาบานตน ล, ล้มละในคัมภีร์กุรอานพูดถึงเรื่องงูที่จากไม้ของนบีมูซาที่โยนไปบนพื้นเนี่ยมีอยู่สามคำหนึ่งหฮยะตุนแปลว่างูสองจานุนกะอันนาจานพอโยนไม้ไปแล้วน่ะเหมือนกับเป็นงูนะครับ แล้วก็อีกคำหนึ่งสวบานุนแปลว่างูใหญ่ยานแปลว่างูเล็กคําว่ายานเนี่ยไม้ตะโพธของนบีมูซาที่โยนลงไปบนดินเนี่ยนะพอโยนไปภาพเนี่ยมันกลายเป็นงูเล็กแล้วก็วัยมากพออยู่ไปอยู่ไปมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นโตขึ้นโตขึ้ น, นเนี่ยตัวลงอ่ทาทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่แล้วก็วัยวิ่งวัยมากเลย นี่เป็นวะอิดัตที่อัลลอ์มอบให้กับนบีมูซาอลเลฮสลามมอบให้ทำไมครับเพื่อไปหาฟาโรไปสอนฟาโรไปอธิบายเรื่องอะไรเรื่องอัลลอ์มีองค์เดียวนะครับเอาต่อมาครับกอลขุ้นวะลาตะขัฟซานูไดูเธซีรตาฮลอูลา قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها ا و ل พระองค์ตรัสว่านี่พูดกับ น, นบีมูซาแล้วนะขุ้้้พอโยนเป็นงูไปแล้ว้้้นะ้้้้้้้มู้าเนี่ยย้ดไปจับู้นั้นเลยรู้้้้ม้ม้้้้้้้้้้้้ ในตำสิอธิบายอย่างนี้นบีมูซาเนี่ยไม่กล้าจับงูซึ่งซึ่งเป็นไม้ตะพดของนบีมูซานั่นแะหละนบีมูซาไม่ไ ม, ไม่ไม่กล้าจับก็เลยจ้องไปจ้องมาเสร็จแล้วกว็เอาผ้าเนี่ยพันมือเอาผ้าพัานมือพอพันหนาดีแล้วก็ก็จะจับเมลากาถามบอกว่า นี่แต่หากอัลลอฮฺจะให้เป็นอันตรายเนี่ยผ้าพันมือของคุณช่วยได้ไหมมาลายิกาถามนาบีมูซาบอกว่าคุณคิดว่าคุณเอาผ้าม า, าพันมือถ้าอัลลอฮฺจะให้เป็นอันตรายเนี่ยผ้าอันนี้ช่วยได้ไหมถามว่าช่วยช่วยไม่ได้อะอาทำไมไม่จับละ่ะนบีมูซาก็สาสันภาพบอกว่าอันนบดอไอ้คุณฉันเป็นคนอ่อนแอคูลิกตั มินเดยฟินฉันที่ถูกสร้างมาในสภาพเป็นคนอ่อนแอเอามาไรคาสับจับเลย ก, ก็เอาผ้าที่พันมืออยู่เนี่ยโยนใส่ปากงว ง, ง, งูมันจ้องอย่างนี้ใช่ไหมพอโยนเอาผ้าที่พันมือโยนใส่ปากงวงูงงงงก็คืนเลยแล้วไอ้คืนมันดังกรับครับกรรับได้ยินเนี่ยบอกเอาจับมาไรคาบอกจับ พอยื่นมือไปจับเป็นไม้เลยอล๋อ น, นี่นะถ้ามาถ้ามาลายกาไม่ช่วยอธิบายนาบีมูซาไม่กล้านะเราเองก็ไม่กล้าเอา้เาลองมาที่เราถือนี่แหละเรายื่นไปเป็นงูจนะกล้าจับไหมลนะ่ะอ๋อเพราะว่าท่านมาลายกาเนี่ยคุมท่านนาบีมูซาตลอดแล้วก็คุมอีกอยากนะ่างหนึ่งตอนหนาจําได้ไหมตอนที่นบีมูซาตอนอายุได้สองขวบ หลังจากทิ้งนมเสร็จแล้วนะน บ, บีมูซ่าหลวงจะทิ้งนมเสร็จแล้วก็มาอยู่กับฟาโร่มาอยู่ที่ปราสาทฟาโร่กาลังเล่นเล่นอยู่เนี่ยเอามือเนี่ยจับคราวฟาโร่แล้วก็อีกข้างนึงก็ตบอีกรายงานหนึ่งบอกว่ากําลังถือมีดอยู่เนี่ยเอามีดเคาะศีรษะฟาโร่แล้วก็เลือดไหลอ่ะฟาโร่เนี่โกรธมากเลย มเสาว่าพระรจจัดการเอาให้มาฆ่าฆ่าเนี่ยมเสาซะพะย า, ายาบอกอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าเรื่องจะเล่าก็คือว่าพะยาบอกว่าโอ้เนี่ยเด็กไม่รู้เรื่องเราทหารเอาไฟมากับเพชรพลอยมานะมันก็จับไฟก็ทดลองเลยเอาถ้วยมาใส่ทานและอีกใบหนึ่งก็ใส่นะใส่เพชรเพชรเพชรเพชร พ, พ, พ, พ, พลอย เอามาวางไว้ข้างหน้ามูซาอายุแค่สองขวบมูซาต้องการจะหยิบเพชรพลอยแต่ดีเรคเตอร์ใครนะ mm hmm. จิบรีนั่งอยู่ข้างๆเอามือมูซาไปหยิบทานพอยิบทานแล้วก็ใส่ปากเลยปากไม่มีมูซาก็เลยพูดไม่ชัดแนตะ่ลิ้นเสียเลยตั้งแต่วันนั้นมาอย่าลืมว่าตรงนี้ได้ข้อคิดเยอะนะะฉะนั้น งานของเราที่เราทำอยู่วันนี้นะที่อัลลอ์ให้เราเจอกับปัญหาปัญหานี่เราตั้งใจให้มันเกิดนะ <c oughs> เพื่อให้เราได้นึกอะไรได้เยอะเหมือนกับนบีมูซาเนี่ยวันนั้นจับพลอ ย, ลอยียบร้อยไหมถูกเล่นงานปาโรเล่นงานใช่ไหมแต่พอจับฐานเป็นไงครับอัดทำโดยลาปกป้องไปหมดเลยแค่นั้นทั้งหมดนี่อัลลอ์วางแผนไปหมดเลยทําดยมิลาและอย่างนี้นะคุรานเนี่ยอัลลอ์ประทานลงมาในเดืรรอนอมดอน สมบูรณ์เลยตั้งแต่ใบละคุลมะฟัดมาถึงใบตุ้อหลายยะมาเก็บไว้และจากใบตุ้งหลายยะเนี่ประทานกันนบดบเมูฮัมห ม, มัดมายี่สิบสาปีนะคุรุอ่านสมบูรณ์แล้วนะแล้วค่อยๆทยอยให้มมดับเบิลโมฮัมหมัดมาสอนธรรมแสดงว่าเหตุการณ์ในคุรอ่านที่อัลลอฮ์ Allah เล่านะั้นเป็นเหตุการณ์ที่อัลละฮ์ได้กำหนดไว้หมดแล้วบนโลกดุรยางแบนี้ไม่มีอะไรแต่ที่จะเกิดขึ้นเองโดยอัลลอฮ์ไม่อันุมัสไม่มี รวมไปถึงเครื่องบินมาเลเซียที่ถูกยูเครนยิงตกครั้งนี้ไม่จะเกิดขึ้นโดยความบังเอิญ น, นะครับและไอที่หายไปเลยยังหาร่องรอยไม่เจอก็ไม่ได้เกิดขึ้นโดยความบังเอิญ น, นะครับแค่นึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆนะครับพี่น้องทั้งหลาย200เจ้าหร้าท่98คนใช่ไหมเครื่องบินมาเลเซียถ้าให้นึกก็จะเยอะมากขอบคุณ Allah, อ, อัลลอฮ์ سبحانه และก็ุตอาล่าอาตวะมาครับ “قال ألقها يا موسى فألقها فإذا هي حية تسا” พอโยนไม้ถือลงไปเนี่ยมันกลายเป็นงูอลงูยาสาแต่ว่าเดินได้ไขยับได้เลื่อนได้เลื้อยได้นะครับ ก็ละคูหาอัลลอฮ์บอกกับนบีม ja ูซายิบงูขึ้นมาว่าละตาคอบแล้วไม่ต้องกลัวซานวยดูฮาซีรอตาฮัลูลาเราจะให้มันกลับมาเป็นไม้เท้าตามสภาพเดิมของมันเห็นอย่างครับนี่เป็นม้วนจิดาตของอัลลอ์สุบฮานละที่แสดงให้นบีมูซานำเอาไปใช้กับฟาโร ไปสอนฟาโรห์ถ้าฟาโรห์ไม่เชื่อให้สแสดงแต่ถ้าเชื่อก็จะทำจนเลยแล้วแต่ฟาโรห์เชื่อไหมไม่เชื่ออยู่แล้วสแสดงกี่ครั้งกี่ครั้งฟาโรห์ก็ไม่เชื่อนะครับพี่น้องทั้งหลายเอาต่อมาครับนี่เป็นมุอาจิฎข้อที่หนึ่งที่อัลลอฮ์มอบให้กับนบีมูซาเอาข้อที่สองอะไรครับ ว่ามุ ج ย ن ด ا ح อ ك ล ت َจْนาฮิกะทักรุจไบِอْมิ ي ْ ر ร س ُอินอ ي ย ة ً أ ُอْคร ى นี่เป็นมุเอญิษฐะข้อที่สองตกลงว่านบีมูซาเนี่ยได้มุเอญิษฐะกี่ข้อนะสองข้อจากใครครับจากอัลลอ์ไม่ใช่จากอเมริกาจากอัลลอ์นะครับ ข้อที่สองวัดลมุมจงอะไรนะจงเอามือของท่านเนี่ยแนบอ่ายาดัดยาดากาแปลว่ามือวัดลมุมแปลว่าจงแนบอิลาจานาฮิกะข้างตัวของท่านใส่ไปอย่างนี้อือคือใส่ไปในอกก็ได้ใส่ไปที่ข้างข้างแขนก็ได้อ่าเอามือใส่ไปนะครับตัครุญะใบดออ เมื่อดึงออกมามันก็จะออกมาเป็นไบโบมินรอยดีซูเป็นสีขาวมินรอยดีซูที่เป็นสีขาวเนี่ยไม่ใช่เป็นโรคมีโรคอะไรตัวอย่างเนี่ยนะโรคเลือนใช่ไหมที่สีขาวๆนะ่ะโรคอะไรโรคเผือดโรคด่างในกุณอานบอกว่าไม่ใช่เป็นโรคด่างเพราะบางคนมือขาวเป็นโรคด่างใช่ไหมใช่ แต่ในคุรานบอกเลยนะมือออกมานั่นเป็นสีขาวไม่ใช่เป็นโรคดา่างอยจจันอุขรอเป็นอีกสัญญาณหนึ่งของอัลลอ์หมายถึงเป็นมุญิษัดอีกข้อหนึ่งคือข้อที่สองอัลฮัมดุลิลลาี่น้องในทัฟซีตอธิบายบอกว่าท่านฮัสซันบสรีอธิบายบอกว่าวัลลอฮิกะอันนะฮามิสบะ พออบดุลโมตาเอามือเข้าไปในในอกหรือข้างๆตัวเนี่ยเวลาชักออกมาในยกขึ้นเนี่ยสว่างเหมือนแสงตะเกียงอะ่ะสว่างจ้าเลยคนเห็นหมดเลยเนี่ยนี่เป็นมุองอิจาตที่เอารอมอบให้กับ น, นบีโมตอาอะลัยสลาข้อที่สองท้าไมต้องมอบให้ครับมุ่ออิจาตนี่นะครับเป็นการเผยแผ่าศาสนาเป็นการช่วยนบีให้เผยแผ่าศาสนา อย่างกันน บ, บีมุฮัมมัดเราเนี่ถูกมีมุ่งอภิษฎประมาณสามร้อยกว่ารายการนะทําไมต้องเยอะเพราะยุค ข, ของมุฮัมมัดเป็นยุคที่คนเจริญเยอะมีการศึกษาเยอะต้องแสดงเยอะมากมีอยู่ข้อหนึ่งก็คือพาเดือนนมุ่องอภิษากันนบีมุฮัมมัดพาเดือนครับมีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งอธิบายบอกว่าตอนที่มีคนขึ้นไปบน ด, ดวงดวงจันทร์น่ะ มันมีรอยนะรอยรอยรอยแยกของดวงจันทร์เนี่ยสังเกตได้มีรอยไปเห็นเลยนี่ไงเป็นม้วนยีลายของท่านนาบีมุฮัมมัดอีกข้อหนึ่งนบีมุฮัมมัดนี่นะเวลาทหารไปทําสงครามเนี่ยไปไปไปร้อยเป็นพันเนี่ยเวลาน้ําหมดเนี่ยทำไงรู้ไหมนบีเอามือใส่ไปอะไรนะในภาชนะเนี่ยน้มามันไหลที่ซอกมือนบีเลยเอา้าว ทั้งอาบทั้งดื่มสารพัดออลลอห์ น, นี่ใครๆเห็นอิมานเพิ่มมั้ยเพิ่มทันทีเลยโอ้โนี่เป็นมัวนยิ่าใของท่านนายบีโมซาร์ลอร์นะสำหรับมีมว้วนยิ่งของนบีประมาณสามร้อยกว่ารายการถ้าเราได้เอาม้วนยิ่ า, าที่มาศึกษาแต่และข้อแต่และข้อเนี่ยอิมานของเราจะเพิ่มขึ้นนะแต่กิชาร์ลอร์จะค่อยๆนำมาม า, มานะครับอา้าแสดงว่าม้วนยิ่ า, าที่นบีมูซาได้รับจากออลลอห์ น, นั้นมีกี่ข้อนะสองข้อ แต่ไม้ถือของนบีมูซามีประโยชน์5ข้อนะครับแต่ประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ก็คือโยนไม้ทาากลายเป็นงูนะครับต่อมาครับลินูริยากมินอายาตินัลกูบรอลินูริยากมินอายาตินัลกูบรอเพื่อเราจะได้แสดงแก่ท่าน ซึ่งบางส่วนของสัญญาณทั้งหลายอันยิ่งใหญ่นะครับลินูริยากะเพื่อเราจะได้แสดงแก่ท่านมินอายาตินัลกุบรอซึ่งบางส่วนนะนี่มันบางส่วนนะบางส่วนของสัญญาณหมายถึงมวัวอจิจาตทั้งหลายอันยิ่งใหญ่ของเรามวัวอจิจาสองข้อของนบีมูซาก็คือไม้ถือเมื่อโยน ถูกดินกลายเป็นงูเลื้อยวิ่งไหวข้อที่สองสอดมือไว้ในอกเมื่อดึงออกมามือเป็นสีขาวนะครับเอาต่อมาครับออิ า, าบาลาฟนนต อิจฮาบัยลาฟิรอาอูนอินนาหูตอกไปไ ด, ด้ใช่ไหมมูซาเอ๋ยจงไปอิลาหาขคฟิรอาอนเราเรียกว่าฟาโรแต่ภาษาคุรานเรียกว่าใด น, นะฟิรอานไปทำไมอินนาหูตอกแท้จริงฟาโรนั้นฟาโร่เป็นไงครับ เป็นไรนะเป็นผู้ละเมิดเป็นผู้ฝ่าฝืนเอา้าคนที่ไม่เชื่ออัลลอฮ์ว่ามีองค์เดียวได้ชื่อว่าเป็นคนที่ละเมิดต่ออัลลอ์สุบฮานาลนับถือพระเจ้าสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์องเดียวเรียกว่าคนต่ออคนอะไรครับคนละเมิดคนที่ไปหาโต๊ะตะเกียรเรียกว่าคนอะไรครับคนต่อคนละเมิด คนที่นับถือบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอื่นจากอัลลอฮ์ไปหาน้ำอะไรนะนาำปลาไหลทองนี่ก็เป็นตอกคนที่ไปกราบไหว้บูชาต้นกล้วยหรือว่าต้นไม้ใหญ่ๆเหล่านี้ได้ชื่อว่าเป็นตอกหมดเลยกันเป็นคนที่ทรยศต่ออัลลอฮ์และเมิดขอบเขตของอัลลอฮ์สุภาในหวนัวต่างๆอัลลอฮ์สั่งให้มูซ่านั้นไปสอนฟาโร แล้ววันนี้ก็งบรรจันครับที่น้องเราเนี่ยอยู่ร่วมๆกับเราเนี่ยที่ไปบูชาอื่นจากอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ก็สอนอิศรับอันจะคุณไป <c oughs> ไปสอนเขาแต่ด้านก่อนที่จะไปสอนก็ต้องมีความรู้มีประสบะการณ์นะครับมีความรู้ด้านอื่นๆ อ, อ, อีกในตั๊บเซตอธิบายอย่างนี้นะครับอธิบายอย่างนี้ อัลลอฮ์บอกกับนบีมูซาบอกว่าอิดฮับอิลาฟิร่าวนอินนาหูตอฟิรอนเอ๋ยมูซาเอ๋ยจงไปหาฟิร่าุนพอฟิร่าุนนั้นทอดยศต่อคําสั่งของอัลลอฮ์ในทัฟซีดอิบนะกะซีดอธิบายอย่างนี้นะอัลลอฮ์บอกกับมูซ่าเอ๋ย er, จงไปหาฟาโรฟาโรเนี่ย <f aro> <f aro> เป็นกษัตริย์ของประเทศอียิปต์กษัตริย์นะ ไม่ใช่คนธรรมดานะเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่นะประเทศอียิปต์กษัตริย์องค์ไหนนะคอร์ชตาฟารอนมินหูวฮาริบันกษัตริย์ที่คุณหนีมานั่นแหละหนีเอาตัวรอดน่ะมาอยู่มาอยู่กี่ปีมาอยู่เมืองมัธยันน่ะสิบปีไอ้สิบปีอันนี้แหละทำให้วันนี้บ้านเมืองกฎหมายสุวนใหญ่ถ้าใครจะหนีน่ะนะก็หนีกี่ปีนะสิบปีเนะ่ คนคดีทำอยู่ลีลานะข้อที่2 อ, อัลลอฮ์สั่งฟาสั่งฟสั่งมูซาบกวา่าฟาดอูฮูไปหาฟาโรแล้วก็ไปเชิญชวนฟาโรให้รู้จักอัลลอฮ์องเดียวอย่าให้ฟาโรนั่นตั้งพาคีกับอัลละฮ์ะนด้านการเผยแพ่าศาสนานี่นันก็คือต้องสอนคนให้รู้จักอัลลอฮ์องเดียวนะครับข้อที่สาม ว่ามูรหูจงไปบอกฟาโรไปเตือนฟาโรให้ทำอะไรครับฟันยุษินอิลาบานีอิสราอินให้ทำดีกับพวกบานีอิสราอีเพราะว่าฟาโรเนี่ยเข้นฆ่าบานีอิสราอินกดขี่พวกบานีอิสราอินให้เป็นทาสให้ทำงานหนักไม่ให้เงินเดือนให้อาหารกินเล็กๆน้อยๆ อ, อัลลอฮ์ไม่พอใจสั่งให้มูซาไปสอน ฟาโร่วยากดขี่พวกบันิอิสรอเอลวันนี้บันิอิสราเอลเล่นงานมุสลิมใช่หรือไม่ใช่ทั้งทั้งที่อัลลอฮ์ให้นบีมูซามาปลดปล่อยบันิอิสราเอลดีอยู่แล้วแต่พวกบันิอิสราเอลลืมลืมเนี่ยลืมคําสั่งของอัลลอฮ์ลืมเนี่ยอมามัตที่อัลลอฮ์ประทานให้กับบันีอิสรอเอลสมัยนบีมูซาอาะเลฮิสซาลาพวกบริสต า, ตายตายเท่าไหร่แล้ว หลายร้อยแลวนะเอาระเบิดไปทิ้งกับมุสลิมสู้ไม่ได้อยู่แล้วพี่น้องตั้งหลายใช่ไหมนี่ไงวันนี้พวกบันิอิสราอีนั่นถูกกดข่อยน บ, บีมูซาวันนี้ทำร้ายพี่น้องมุสลิมนะครับข้อที่สีฟิร์อนอ้นั่นเป็นผู้ที่ทรยศและอัลลอ์เล่าอีกนะว่าอาซาลฮัยาตัดดุนยาหลงโลกดุนยาหลงวัตถุหลงเงิน หลงชื่อเสียงเกียรติยศตำแหนง่งใช่ไหมสามสี่ประการเนี่ยเป็นตัวแทนของโลกดุนยาเนี่ยฟาโร์เอาหมดเลยอ่ะแล้วก็วานาสิยาร บ, บรัลอาลาแต่ลืมพระผู้อภิบาลผู้สร้างจักรวาลใบนี้สร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ชั้นฟ้าแผ่นดินกลางวันกลางคืนนะครับฟาโร์เนี่ยลืมตั้งตัวเองเป็นพระเจ้าแทนอัลลอ์ุบฮาน ว, วตาลา ท่านวะฮับบิบนี่มมนับโมนั บ, บิได้กล่าวว่าเป็นตัปซิดอธิบายนะครับอิบนุกะซิดอธิบายอย่างนี้ตอนที่อลัลลอฮ์บอกกับ น, นบีมูซาเนี่ยพี่น้องให้ไปหาฟาโร่เนี่ยอลัลลอฮ์บอกอย่างนี้จงนําเอาสารของฉันไปสอนอลัลลอฮ์เนี่ยได้ยินมูซาทุกอย่างไม่ว่าจะพูดอะไรอลัลลอฮ์เฝ้ามองอยู่ตลอดเวลามูซาเอ๋ยไปเถอะไม่ต้องกลัว อัลลอฮ์ Allah ปลอบใจนะฉะนั้นคนทํางานาศาสนาวันนี้ก็เหมือนกันไปเถอะทํางานตามที่อัลลอฮ์สั่งอัลลอฮ์จะดูแลอัลลอฮ์อยู่ใกล้ชิดอัลลอฮ์อยู่กับท่านสายตาของอัลลอฮ์เนี่ยจ้องมองท่านนาบีมูซาอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องห่วงนะครับอัลลอฮ์อยู่ใกล้กับนบีมูซามากที่สุดเหมือนกับพวกเราวันนี้เหมือนกันที่ทํางานาศาสนาวันเนี้ อัลลอ์อยู่กล้าชิดกับเรานะไม่ต้องห่วงนะอัลลอ์ดูแลเรานะครับถ้าจะตายก็ตาย ش ه ดนะแล้วต่อมาเอกอัลลอ์ได้บอกกับน บ, บีมูซาว่าอย่างนี้หลังจากไปพบกับฟาโร่เนี่ยให้พูดจาเพราะเพราะไม่สั่งให้พูดจากระดา้างให้พูดจาไรนะโปไลส์นิ่มนวลวกูลาลาหูกาลันไลยีนั่นพูดกับ ศัตรูของอัลลอ์เนี่ยให้พูดแบบไหนนะพูดดีๆเหมือนกันเราจะคุยกับใครก็ตามอาจารยา์ญาญาโตมั ง, งีมามาพูดที่นี่ผมชอบเขาบอกว่าเรานี่นะมีความสัมพันธ์กันสามรายการหนึ่งเรากับตัวบุคคลผมกับพี่เฉลิมมีความสัมพันธ์ทางส่วนตัวนะครับเรากับ เพื่อนนี่ก็สัมพันธ์อะไรนะสัมพันธ์ทางส่วนตัว 2. เราสัมพันธ์กับองค์กรคือองค์กรกับองค์กรมีความสัมพันธ์กันเอาเช่นศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับทีเอมทีวีใช่ไหมโรงเรียนมั ส, สยิดอันวาลิสุนา่ามีความสัมพันธ์กับโรงเรียนใช่ไหมโรงเรียนอื่นๆเนี่ยความสัมพันธ์กับองค์กรและอีกอย่างหนึ่งความสัมพันธ์ระหว่างเรากับ ศา ส, สนาอื่นๆเช่นเรากับพี่น้องชาวพุทธเรากับชาวคริสเตียนเรากับชาวยาิวดีจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนศาสนาข้อคิดซึ่งกันและกันดีไหมดีมากเลยขอให้เราวางใจให้สะอาดทําให้หัวใจสะอาดเราต้องมีความสัมพันธ์กันหนึ่งเราก็ส่วนตัวความสัมพันธ์ส่วนตัวสองเราสัมพันธ์กับองค์กรเราสัมพันธ์กับต่างศาสนิกที่นําถือศาสนาไม่เหมือนกันจะได้อธิบายซึ่งกันและกัน นะครับอัลลอฮ์สั่งนบีมูซานะเวลาไปหาฟาโรน่ะพูดจาแบบไหนพูดจาเพราะเพราะนะครับอยาดาเหมือนกันทํางานศาสนาต้องพูดจาเพราะเพราะเลยเล่าเรื่องดีๆอย่างเดียวว่าอัลลอฮ์สอนอย่างงี้นบีสอนอย่างนี้ไม่ต้องไปตํำหนิใครนะครับยื่นของดีๆจานใหญ่ากับพูดดีนะเวลาจะสอนศาสนาเนี่ย อย่าสอนแบบโยนโยนทุเรียนรับไม่ได้มันเจ็บมือถึงใส่ถุงมือก็อเจ็บเพระนั่นต้องโยนดีๆใช่ไหมอม๋ข้อที่สองสอนว่าไงนะเวลาทำงานศาสนาเพราะยิ่งคนที่เป็นมุสลิมทั้งหมายนี่นะอย่าอย่าเหลือไปมองคนกาเฟที่เขาอยู่สบายอย่ามองคนเหล่านั้นเป็นแบบ ไปมองคนที่มีภาระเนี่ยเราก็มาสบายใจได้ใช่ไหมล่ะอัลลอฮ์สั่งเลยนะมูซาเ อ, อ๋ยอย่าเฉลืองมองอะไรนะอย่าอย่าไปมองคนที่มีปัจจัยริสกีที่อัลลอฮ์ให้ชั่วคราวเนี่ยไปมองบ้านเขาไปมองภรรยาเขาไปมองรถเขาไปมองอะไรต่อะไรที่อัลลอฮ์ให้ชั่วคราวนะเฉพาะบนดุลยาเนี่ยอย่าไปมองสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ท่านจะเสียใจ จะนั้นให้มองคนที่ต่ำกว่าท่านเอา้าอัลลอฮฺสอนเอกบูซาเอ๋ยเวลาเครื่องประดับของคนมุตตีนเครื่องประดับของคนกาเฟตกับมุตตินไม่เหมือนกันนะเครื่องประดับของคนกาเฟตก็คือบ้านใหญ่ๆรถทํางานงามตําแหน่งเยอะๆเงินเยอะๆเงินเดือน เ, อนเป็นแสนเป็นล้านเป็นเจ้าของกิจการนู่นกิจการนี้ แต่เครื่องประดับของผู้ศรัทธาต่ออัลลอ์ก็คืออัศสสกีนะหัวใจที่สงบเขาทะเลาะกันยิงกันทำดีด๋แล้วเราชุกรต่ออัลลอฮ์ได้ความคุณนอัลลอ์ได้ถือสส้นอดได้ไ้มได้แล้วก็เครื่องประดับของมุตตะกีนก็คือนา ม, มาด้วยหัวใจที่ขูชู อลอสูดหดไปห้านาทีเลยยังไม่เงยเลยเมียถามว่าพี่เป็นอะไรไปเลยสุดชยด ต, ต่ออ๋อใจมันโูช่วนี่เครื่องประดับของคนมุตตะตีนอีกข้อหนึ่งนะครับซีมาฮุมฟีวูยูฮิมมินอัสริสูดหยดร่องรอยของคนมุตตะตีนให้มองที่ใบหน้าของเขามีรัศมีสังเกตนะครับ คนที่หลงดุลยาเนี่ยเขาประดับประดาบ้านที่อยู่อาศัยรถที่เขาขับแต่มุตตะกีนคนดีนั่นมองที่ใบหน้ามีรัศมีเพราะว่าเขาอยู่กับอัลลอฮ์เขาอ่านอัลกุรอานเขาดิกรุลลอฮ์เครื่องประดับของคกลกาเฟกกะมุมินไม่เหมือนกันนี่อัลลอฮ์สอนใครสอนน บ, บีมูซาตอนไปหาฟาโร่อย่าลืมเรเห็นแค่ปราสาทฟาโรกมืนแล้วนี่มันอะไรก็เนี่ย อัลลอฮ์อลังการถขนาดนี้เลยฉันทิ้งอิสลามอยู่กับฟาโร่ดีกว่ากลัวมากเลยอลัลลอฮ์สั่ระวังให้ดีนะฟูเอาต่อมาครับอลัลลอฮ์สั่งนบีมูซาเองเวลาทํางานศาสนาไปเจอคนที่อีมานต่ออลัลลอฮ์ไปเจอคนติดตักวาที่เชื่อนบีมูซาให้ทําไงครับให้สแสดงตัวของท่านเนี่ยให้นอบนอบ้อมถ่อมตนกับคนมุตตะกีเหล่านั้นเห็นหน้าเขายิ้ม ทักทายโดยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแบบพูดจาดีๆกับเขานี่ใครสังส่งนะอัลล์สั่งนบีมูซาและสั่งพวกเราวันนี้อยู่ในสังคมถ้าอยู่กกลุ่มคนดีต้องแสดงตัวเราให้ดีแท็กทายกับเขาดีๆยิ้มกับเขาดีๆพูดกับเขาดีดีทั้งหมดแล้วนี่มีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตอแลดีไหมอัลฮัมมี่อนหมดเลยอัลลอ์สอนนะพี่น้อง สรุปก็คืออิซับอิลาฟิราห์นะอินนาหูตอมูซาเอ๋ยจงไปหาฟาโร่เพราะฟาโร่นั้นเป็นคนที่ดื้อดึงต ah> ่ออัลลอฮ์สุบฮานาหูวะตาลาต่อมาครับกอลาวรับบิชราฮลีซัดรีนบีมูซาขอดุอาร์ หลังจากได้รับตําแหน่งจากอัลลอฮ์แล้วหลังจากอัลลอฮ์ตัดกับ น, นบีมูซาแล้วอัลลอยิ่งใหญ่นะคนที่อัลลอฮ์ตัดด้วยพูดด้วยเนี่ยมันจะธรรมดาแล้วก็มีอยู่คนเดียวในโลก <c oughs> เรื่องที่สองได้รับแต่งตั้งให้เป็นนบีตอนกลางคืนสมได้รับประวัติได้รับสารของอัลลอฮ์ให้ไปเผยแผ่กระเฟื้องมูลนบีมูซารู้ว่างานสอนสาศาสนาเป็นงานที่ลําบาก และเป็นงานเปลี่ยนแปลงคนเนี่เป็นงานใหญ่มากและเป็นงานที่มีเกียรติสูงและแถมไม่มีเงินเดือนให้มาอีกอนะ่ะพี่น้องคิดดูสิทเบมูซาขอดวงอาต่อลอห้ารายการขอดวงอานะารายการนาะยพี่น้องสังเกตนะฉะนั้นก่อนจะทำงานอะไรก็ตามต้องขอดูอาก่อนนี่เป็นข้อเตือนใจแล้วก็อัลลอฮ์ก็บอกอีกมูซาเอ๋ย ของหลายอย่างที่คุณได้รับนะคุณไม่ได้ขอทวงอาฉันฉันก็ให้อะหลายอย่างนะที่เราได้รับวันนี้นะไม่ได้ขอทวงตอบอัลลอฮฺอัอลลอฮฺให้อมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งเล่ากับผมฟังเขาอ่านกรุรอานเนี่ยเขาก็ได้ข้อสรุปเพราะว่าจ้าผมนี่ไม่เคยทะเลาะ ก, กับภรรยาผมเลยมันถามว่าทำไมอะ่ะ รู้เปล่านะก่อนที่ผมจะแต่งงานเนี่ยนะผมขอดุอามานะสิบปีผมไปจีบใครไม่ได้สักคนหนึ่งไม่มีใครเอาผมเลยอะ่ะไปคนนี้หนึ่งปฏิเสธนี่หนึ่งไม่เอาก็หมดท่าก็เคยเข้าหาอาลัลลอฮอัอลลอฮจารองไห้ก็งคืนลุกขึน้นนำมาตะฮัยุดไปทำอุมรอบไปเดินต่อว่าบล้วอลัลลาฮฺอยากได้กับผู้หญิงคนนี้อาเออชื่อนะั้นนั้นลางตวาบเลยอะ่ะกี่ปีเลยไหม แต่9ปีถึง10ปีเมื่ออราตารามอบผู้หญิงให้ผมคนหนึ่งผมนี่ได้ภรยาคนนี้มาผ่านดูอาผมจะไม่ทะเลาะกับภรยาผมเลยภรยาผมทำอาหารเค็มไปหน่อยผมก็นึกถึงซุนนะนบีขอน้ำตาหน่อยทดไหมไม่เคยทะเลาะกับภรยาเพราะว่ากว่าจะได้มาเนี่ยมันลำบากเห็นไหมเนี่ยถ้าเรานึก ถึงตรงนี้เนี่ยนะเราจะไม่มีปัญหากับใครเลยในโลกนี้ใช่ไหมฉันอย่าลืมว่านะหลายอย่างที่อัลลอฮ์ให้มาเราไม่เคยขอดูอานะอา้าวเคยขอดูอาให้เป็นมุสลิมป่ะเคยป่ะไม่เคยใช่ไหม ย, อยาอัลลอฮ์จะเป็นมุสลิมไม่มีนี่ขอลูกตาเคยขอป่ะยาอลลอขอตาสองข้างอา้าวขอผมไม่เคยมาไม่เคยขอแต่อัลลอฮ์ให้อะ่ะ ฉะนั้นของที่เราขอมาพี่ น, น้องต้องรักษาให้ดีต้องดูแลให้ดีคุณเฉลิมหนึ่งกำลังขอแล้วมีพรรยาคนใหม่อีกคนหนึ่งพอพระยาตายไปแล้วเนี่ยนี่พอได้มันก็ต้องระวังให้อีกอย่าลออย่าให้มีปัญหาเลยถ้าจะตายก็ตายได้แต่ฉันจะเพิ่งตายก่อนกันแล้วกนันต้องดูแลให้ดีเพราะเราผ่านการขอดูอามาจะได้แล้วับเอาต่อมากับมมซาขออะไรครับ ขอแล้วรับอิสริสต์อดรีอัลลอฮฺขอดีมากนะมูซากล่าวว่าข้าแต่พระผู้อภิบาลของฉันรอบบีนีปแปลว่าข้าแต่ผู้บานของฉันอิสร mm ิสต์อดรีเพื่อทําหน้าที่อันยิ่งใหญ่นี้ได้ทรงเปิดอกของฉันสําหรับฉันด้วยเธอเปิดอกเลยไปน้อง คำว่าเปิดอกเนี่ยอธิบายยังไงพี่น้องเปิดอกเนี่ยไม่ใช่เปิดอกให้มันกว้างนะเปิดให้หัวใจนี่มีความรู้เพิ่มอ่าไม่ใช่วัตถุนะเปิดอกไม่ใช่วัตถุนะหมายถึงเพิ่มความรู้ให้กับฉันเพิ่มสติปัญญาให้กับฉันเวลาไปเจรจากับฟาโร่เนี่ยฟาโร่มันใช้ภาษาหนักๆมันมีทหารมีเงินมีทองมีพวกพี่น้องต้องอาศัยอะไรนะความอดทน สติปัญญาที่เฉลียวฉลาดและหัวใจที่รับของหนักๆและของเบาๆได้ไปเจอมมซามมซาไปเจอฟาโรยิมแต่ว่าตว่าดีใช่ไหมถ้ามันโกรธขึ้นมาทำไงก็รับได้นะรับบิชราลีซอดรีโออัลลอ์โปรดทำให้หัวใจของฉันนั้นมีความมีความรู้เพิ่มมีสติ ป, ปัญญาด้วยอะไรนะด้วยรัศมีของอัลลอ์ด้วยความสงบที่มาจากอัลลอ์ และเป็นดูอาที่สมบูรณ์ที่สุดนี่เป็นดูอาบทนี้เราต้องขอด้วยนะครับรอบบิชราฮีซอ ด, ดรีโออัลลอโ์บทเปิดอกของฉันนะครับให้กว้างเอาต่อมาครับดูอาบทที่สองวายซิรีอัมรีและได้ทรงบททำให้การงานของฉันง่ายแก่ฉันด้วยเถิดอัลลอฮ์นี่ข้อที่สองที่สำคัญนะเพี่นน้องนะ ให้งานมันง่ายให้งานมันสะดวกอย่าให้มีอุปสรรคนี่ไงอัลลอฮลเลาะห์เรื่องดวงอาของนบีมูซาให้อุมมาของนบีมุฮัมมัดฟังให้นบีมุฮัมมัดฟังเพื่ออะไรเพื่อให้นบีมุฮัมมัดและพวกเราวันนี้ขอดวงอาเหมือนนบีมูซาอะเลฮิสลาอาัลจะทําธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งอุปสรรคเต็มเลยคู่แข่งเต็มเลยทําไงครับ รบียัสิตลีอัมรีให้กิจการของฉันง่ายได้สำหรับฉันท่านนาบีมุฮัมมัดขอดุอาแบบนี้ครับอัลลอฮุมัลทุฟบินาฟิตายซีริกุลีอาซีรินฟาอินนัตอยซีริกุลอาซีรินอัลไลกะยาซีรุนอัลล์นี่เป็นดวอาที่เพราะมากผมอ่านประจำนกดนตอาดวนี้แปลว่าครับโอ้อัลลอ์โปรดประทานความเมตตา โดยทําสิ่งที่ยากยากให้ง่ายแก่เราด้วยเธอเพราะว่าการทําสิ่งง่ายสิ่งยากยากให้ง่ายนั้นอยู่ในอํานาจของอลัลลอฮ์ดีไหมทุ่านี่ดีมากแค่นั้นก่อนจะทํางานแต่ละอย่างพี่น้องงานคุมนักเรียนเนี่ยมาใช่เบานะอาจีจีตั้งยืนตลอดเวลามาเด่นนั่งเขาก็รอกใช่ไหมคุมนักเรียนถัวว่า ง, งานเบาหรือ ง, งานหนักหนักครับ เพราต้องขอทูลอาเยอะอามีลูกสี่คนนึกว่างานนากมันงานเบาเหรอลูกสี่คนน่ะนะนี่นักเรียนตั้งสองร้อยแค่ลูกสี่คนเนี่ยผมขอทุลอาวันละร้อยนะอัลลอฮุมอัลตุบินาฟีไตซีดิคุลเอาซีดินฟาอินนัไตซีรักุลเอาซีดินอะไลกะยาซีรุนต้องขอหมดเลยครับเอาที่มียาดือด้อก็ต้องขออีกยาอัลลอฮ์อยาให้มีอาดือเลย พี่น้องครับต้องขออนุญาตอัลลอฮ์ตลอดเหมือนใครเหมือนนบีมูฮซาอะลัยฮิสสลามไปทำงานศาสนาด้วยว่าอัลลอฮ์คุมครองแล้วไม่พอนะต้องขอจากอัลลอฮ์อีกให้เพิ่มอีกนะครับเอาต่อมาครับขอข้อที่าาลลสาม ah ได้ทรงโปรด อกดาแปลว่าเงื่อนหรือปมที่ลิ้นของฉันเงื่อนหรือปมที่ลิ้นของฉันทําไมเพราะมูซานี่พูดจาไม่ชัดหลังจากเอาฐานใส่ปากปากเลยเสียมาตั้งแต่วันนั้นพูดจาไม่ชัดยัฟกาหูกาลีเพื่อให้ฉันเพื่อประชาชนจะได้เข้าใจคําพูดของฉันผมเนี่ยติดอ่างนะ ผมเนี่ยติดอ่างผมขอดวอาตั้งแต่ผมทํางานาศาสนาเมื่อสี่สิบปีที่แล้วนะอลัลลอฮ์รับดวอาเนี่ยไม่ติดอ่าง่งแต่นานๆจะออกออกทีหนึง่งพูดไม่ออกอ อ, อ, อ, อยู่นี่ไปแนละ้วก็ขอดวงอาปับ๊บอลัลลอฮ์รับดวงอาอาลัลอฮัลดุลิละวัดวั ด, วดฉะนั้นผมจะไม่ดือ้อกับอัลลอฮ์นะผมจะไม่ทรเลต่ออัลลอฮ์เพราะเรา ได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺผ่านดวงที่เราขอมาฉะนั้นงานศาสนาผมจะไม่จะไม่เลิกจนกว่าผมจะตายคุณจะเลี้ยงนะเราสองคนนะ <c oughs> อินชาอัลลอฮฺฉะนั้นวะลุลอุกดาตัมิลิซานียับกาฮูเกาลีคนที่ไม่ตินอ่างก็เอาไปใช้ได้บางทีผู้จะไม่รู้เรื่องอะ่ะนี่พูดอะไรอะ่ะฟังไม่รู้เรื่องเลย คนไม่ติดอ่างก็อ่านเธอดูอาบทนี้เพราะการเจราจาการพูดจากับคนมันเรื่องใหญ่นะเขาแต่งตั้งเราไปเป็นผู้แทนเจราจาเรื่องธุรกิจแต่พูดจาม่เป็นใครมันจะซื้อของเราอะ่ะฉะนั้นว่าหลุนอกดาตามิลลิซานียับก้าูเกลีโออัลลอฮฺโปรดแก้เงื่อนปมจากลิ้นของฉันด้วยเถิดคือขอให้พูดคล่องเพื่อพวกเขาจะได้เข้าใจคําพูดของฉัน มารับดูอาบที่สีว่จัลลีวะซีรมินอลีวจัลลีวะซีรมินอลีและได้ส่งโปรดให้คนในครอบครัวของฉันเป็นผู้ช่วยงานศาสนาของฉันขออุอานข้อที่สี่นีข่ขอให้มีคนช่วยนะ ให้มีคนช่วยนะคําว่าวิซเนี่ยรัฐบาลเพิ่งเอาเอาเอามาใชา้เป็นรัฐมนตรีวิซเนี่ยแปลว่าผู้ช่วยเหลืองานที่เราทําอยู่นี่งานศาสนาเนะีไม่ใช่งานการเมืองนะงานศาสนานะอลัลลอฮ์ไม่ได้พูดเรื่องการเมืองนะเนี่ยพูดถึงศาสนานบีมูซาขอดุทิศต่ออลัลลอฮ์ให้อลัลลอฮ์ได้ มีผู้ช่วยสักหนึ่งคนในการทำงานศาสนาแล้วก็เอาเลือกใครรู้ไม้มกำหนดเลยมินอาฮลีคนในครอบครัวของฉันนักการเมืองเอาเรื่องนี้ไปใช้เอารัฐมนตรีในพี่น้องจะเลือกคนอยู่ใต้บังคับบัญชาต้องพัว ก, การใช่หรือไม่ใช่คุณฉเฉลิมทำธุรกิจใหญ่ๆต้องเอาน้อง ม, มาช่วยใช่ไหมทำไมไม่เอาคนอื่นมาช่วยละ่ะ เพราะไม่ไว้ใจนี่ไงคุกอ่านตรงนี้สอนเราว่าดีรัมินอาลีความจริงอัลลอฮเล่าเรื่องศาสนานะจะทำงานศาสนามีผู้ช่วยดีที่สุดอ้าวมีคนช่วยจะครับ Allah, อัลลอห์อัลกุรและก็งานศาสนามันงานที่ยิ่งใหญ่ที่มีบริกัรไม่มีเงินเดือนแต่ขอผู้ช่วยหนึ่งคนแล้วก็เอ่ยเชื่อด้วยนะฮารูน อาคีฮารูนเป็นพี่ชายของฉันเพราะเขาพูดคล่องพูดจาดีมากเลยพี่น้องทําไมอลัลลอฮ์ไม่เลือกฮารูนเป็นเป็นนบีเลยพี่น้องรู้ไหมนบีฮารูนกับนบีมูซาเนี่ยมูซาใจสะอาดกว่ามองเรื่องใจอย่างเดียวว่าใจก็สะอาดกว่าอัลลอฮ์เลยเลือกนบีมูซาแล้วฮารูนมา เ, เ, เป็นผู้ช่วยเป็นอวซีดเป็นผู้ช่วยข้อสุดท้าย นะครับอัชดูเบีฮอัรีเนื่องจากเขาได้โปรดเพิ่มความเข้มแข็งของฉันด้วยเธอในการเจรจาแล้วต่อมาอายะสุดท้ายขออุทิศข้อที่สี่ข้อที่ห้าข้อที่สี่ที่ว่าอัชริกว่าอัริกฮูฟีอัมรีให้เขามามีหุ้นส่วนในกิจการของฉัน ดูอาข้อที่หไกนุสบบิฮะกะกะซรอวะนัสกุรอกะกะซรอมีพี่น้องมาช่วยทำงานศาสนาและช่วยอะไรอีกเพื่อเราจะได้รำลึกถึงอัลลอ์สรรเสริญต่ออัลลอฮ์พี่น้องสรรเสริญต่ออัลลอฮ์อย่างมากมาก เพื่อเราจะได้แท้ซ้องสะดุดีแท้ซองแปลว่าเปล่งเสียงแสดงความยินดีหรือยินดีนิยมหรือก็สารสริญอัลลอฮ์อย่างมากๆมีคนมาช่วยทํางานาศาสนาไม่ใช่ทางานอย่างเดียวไม่ใช่สารเสริญอัลลอฮ์ด้วยพูดชมอัลลอฮ์ด้วยวานัสกูรอแกกาซีรอและเราจะได้ลําลึกถึงพระองค์มากๆ จากสองอายานี้ดูอาบทที่5ที่นบีมูซาขอนี่สอนเราว่าคนทํางานศาสนาต้องพูดต้องรําลึกถึงอัลลอฮฺเยอะๆต้องกล่าวอะไรครับสุบรรณอัลลอฮฺอัลฮัมดุลิละละ ล, าา ล, ละอิลละอิลลอฮฺอัลลอฮฺองบัดเยอะๆพี่น้องแล้วเวลาใบายานก็เหมือ น, นกันเวลาพูดต้องพูดเรื่องอัลลอฮฺเยอะๆอัลลอฮฺให้นั่นอัลลอฮฺให้นี่ใช่ไหม อ้าสรุปสั้นๆก็คือว่าการขอดูอานะครับการขอดูอาเป็นเรื่องสำคัญอย่าคิดว่าการขอดูอาไม่ใช่เรื่องใหญ่ฟาโรดูถูกดูอาฟาโรว่าไงถูกไหมให้มูซามานั่งขอดูอาไปเถอะดูอาของมันจะมีอะไรภาษานี้ภาษาเดียวที่ฟาโร่พูดดูถูกนบีมูซา อัลลอฮ์ให้มูซาขอดุอาให้จมน้ำตายกลางทะเลรู้ไหมที่แรกนะมูซาขอดุอาให้ฟาโรห์ตายในพระราชวางังให้ทำลายฟาโรห์ในพระราชวังเลยมาลายการลงมาว่าไม่ได้พระว่าหน้าพระราชวังเขาเขียนว่าบิสมิลลอฮหุมมาด้วยพระนามของอัลลอฮ์ อัลลอ์รักษาชื่อของอัลลอ์ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ทำลายใครคนที่เอาชื่อของอัลลอ์เขียนไว้หน้าบ้านแล้วก็ว่าไงอะ่ะเดี๋ยวอัลลอฮ์จะหาทางออกไงคือให้ไปตายกลางทะเลฉันไม่ไปนองทั้งหลายฉะนั้นอุมมาของนบี ม, มุฮัมมัดใครที่ทรยศต่ออัลลอฮ์อัลลอ์ไม่รีบลงโทษนะใจเย็นๆอัลลอ์ไม่ลงโทษนะไม่เหมือนกับคนในยุค ก, ก่อน ยุคก่อนท่านสอนสอนไม่เชื่ออลัลลอฮ์ลงโทษเลยทันตีทันใดทันตาเห็นนบีมูซายืนมองฟาโรโจมน้ํากับทหารเป็นเป็นสันแสนล้ลานคนแต่ยุคของนบีมุฮัมมัดนี่อลัลลอฮ์ประวิงเวลาเอาไวา้ฉะนั้นใครที่ไม่เอาเอาลัอาลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่รีบลงโทษแต่ประวิงเวลาเอาไวา้จนกว่าความตาจะมาถึงขอหอยพอมาถึงขอหอยพับนะเขาถูกลงโทษแบบฟาโรเหมือนกัน มันต้องอ่านคุรานเป็นการเชื่อกาวให้ลิงดูถ้าไม่อ่านคุรานโซรนี้นะไม่รู้ที่พออ่านปั๊บรู้ทันทีว่าฉะนั้นพี่น้องมุสลิมหรือพี่น้องชาวไทยนี่แหละพี่น้องที่ท่านได้ทรยศต่ออัลลอฮ์กินอาหารทิสกีของอัลลอฮ์นะั้นท่านที่ไม่ได้ขอนะบ้านของคนกาเฟสใหญ่ๆนะไม่ได้ค่ยขอจากอัลลอฮ์เลยนะภรรยาสวยๆนะที่อัลลอฮ์ให้มาเนะี่ยไม่ได้ผ่านการขอหนะ อัลลอฮ์ให้ให้ใหไม่อายอัลลอฮ์บัางเลยแล้วเรามุ穆斯林เนี่ยที่ขอก็มีถ้าไม่ขอก็มีแค่นั้นเมื่ออัลลอฮ์ให้มาแล้วน้อมรับดีๆพี่น้องอะไรที่ผ่านการขอมาต้องดูแลให้ดีเช่นภรรยานี่ลูกเรานี่พี่น้องบ้านนี่ที่ดินมากอะไรที่เราขอจากอัลลอฮ์อยากได้มาพออัลลอฮ์ให้มาก็ดูแลให้ดีอย่าให้เป็นเหตุทําให้เราต้องตกนรกนะครับุุบาานนะตลลลลอออมมมวิัดช astagfirullahaladzim b i s m u l l a h i ح r a h m a n i r r a h i m